ไแห่งพุทธศาสนาบทแถมไทยบาทหลวงฝรั่งเข้ามาสมัยพระนารายทําไมว่าเมืองไทยใจเสรีไม่มีที่ไหนเท่าเทียมทําไมบาทหลวงช่องเดือบูชาวฝรั่งเศสมาเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเห็นอัธยาศัยไมยตรีของคนไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกระชน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 คือสมัยพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งครองราชคอ 1643-1715 ถึงพระเจ้าหลุยที่14ราชาธิปดีแห่งฝรั่งเศสเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสคือรวมถึง72ปีและได้รับเฉลิมพระนามว่าเป็นพระเจ้าหลุยมหาราชเป็นเจ้าของวาทะอันเลื่องลือว่าอิมในรัชสมัยของพระองค์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 และเป็นครั้งสาคัญกับทั้งถือว่าเป็นสงครามศาสนาระหว่างประเทศครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นการห้ามหันบีทาหรือกำจัดกันทางศาสนาในยุโรป ก, ก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละประเทศเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้ขอย้อนไปเล่าภูมิหลังเล็กน้อยกล่าวคือหลังจากมาตินโูเทอร์ทำการประท้วงซึ่งเป็นการละเมิดต่อพระอํานาจขอ ง, ององค์สันตปาปาหรือโป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 พวกคาทอลิกได้พยายามกำจัดพวกโปรตสแตนเรื่อยมาเวลานั้นเยอรมันยังแยกเป็นรัฐใหญ่น้อยมากมายภายในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อมาพวกเจ้าเมืองโปรตสแตนได้รวมกันตั้งกลุ่มป้องกันตัวขึ้นและฝ่ายคาทอลิกก็ตั้งสันนิบาตของฝ่ายตนขึ้นเช่นเดียวกันต่อมาในคศ .1618 การขัดแย้งและกำจัดกันก็รุนแรงขึ้นพวกคาทอลิก จะทำลายนิกายโปรตุสแตนให้จบสิ้นและกลายเป็นสงครามเริ่มด้วยกองทัพของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ยกเข้าทำลายฝ่ายโปรตุสแตนจนในที่สุดพวกเจ้านครฝ่ายโปรตสแตนได้ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศรัศ์เดนมาร์กและนอร์เวย์ก็ยกทัพมาช่วยพวกโปรตสแตนของเยอรมันต่อมารั์ประเทศสวีเดนก็เข้าร่วมสงครามตามด้วยออสเตรียฝรั่งเศสและสเปน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 เมือง1 5ึ่หแล้ววังเจ้าสองพันวังความสยดสยองของสงคราม30สิปีนี้ฝรั่งเขียนบันทึกว่าเป็นภาพที่ฝังแน่นในความทรงจำของประชาชนยิ่งกว่าสงครามใดที่มีมาในยุโรปก่อนศตวรรษที่20สิบความพินาศย่อยยับของสังคมเยอรมันจากการสงครามครั้งนี้จะเทียบได้ก็ด้วยสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น